สัมพุทธาอัตถะถังปรารถเณพหุนาปินาหาระเยอัตถ ะ, ะธรรมปัญญายะอตถ ะ, ะสุโสิยติอีณบัดนี้ จกได้แสดงพระธรรมเทศนาในอัตตะทัตถกถาปรารพถึงเรื่องการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบรารมีเพิ่มภูลกุศลบุญยาศี แกท่านสาธุชนพุทธบริษัทซึ่งมีทั้งชาววัดและมีทั้งชาวบ้านได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ณสถานที่แห่ง น, นี้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีที่ตนต้องการต้องการฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังต้องการถวายทานก็ต้องตั้งใจถวาย ต้องการจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจรักษาและถ้ามีความประสงค์จะเจริญภาวนาให้มากยิ่งขึ้นก็จะต้องอบรมจิตใจให้มีความสงบเรียกกันว่าญาติโยมศรัทธาในความดีประเภทไหนก็ต้องตั้งใจทำดีแบบนั้นให้สำเร็จ ตามที่ตนตั้งใจให้ตรงได้เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้จาริกสั่งสอนพระธรรมวินัยหรือพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน พระพุทธเจ้านั้นแต่เดิมพระองค์ทรงมีพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะสิทธัตถะแปลว่าอะไรสิทธัตถะแปลว่าทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ดังใจประสงค์ในตอนปฐมวัยท่านเป็นพระกุมารอยู่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เรื่องที่พระองค์ศึกษาเล่าเรียนนั้นเราเรียกกันว่าศิลปศาสตร์มีทั้งหมดสิบแปดแขนงด้วยกันพระองค์ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจากพระอาจารย์วิศวามิตรก็ปรากฏว่าเรียนจบทุกศาศสตร์สิบแปดศาสตร์หรือสิบแปดแขนงเนี่ยแต่รัศสารวิชาเนี่ย ถ้าเทียบปัจจุบันก็เกรดเอตลอดไม่มีตกเลยในตอนที่เป็นเด็กนักเรียนนั้นพระองค์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเรียนสำเร็จตามที่ตั้งใจสมกับคำว่าสิท ธ, ธัตถะพอชีวิตเข้าสู่วัยหนุ่มสาวพระองค์ก็ทรงใช้เวลาเพื่อช่วยเหลือกิจการบ้านเมือง เนื่องจากว่าพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุดโทธนะนั้นพระ อ, องค์ทรงเป็นพระราชาบริหารบ้านเมืองสถานที่บริหารนั้นเรียกว่าแคว้นสักกะซึ่งมีกรุงก บ, บิลพัสเป็นเมืองหลวงพระ อ, องค์ก็อาศัยวัยหนุ่มซึ่งมีกำลังวังชาดีมีการศึกษาดีมีความคิดความอ่านดี เอาความดีที่มีอยู่ในตัวของพระองค์นั้นมาช่วยพ่อแบ่งเบาภาระของสมเด็จพ่อการปฏิบัติงานของพระองค์ทุกอย่างสำเร็จด้วยดีสมกับพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทำอะไรก็สำเร็จได้ตามความประสงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัทก็เหมือนกัน เข้าวัดทุกครั้งตั้งใจว่าจะได้อะไรท่านก็ต้องทำให้ได้ดังใจประสงค์ถ้ามีเช่นนั้นแล้วก็เสียชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสิท ธ, ธัตถะเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราทำอะไรสำเร็จได้ด่างประสงค์เราก็ต้องทำให้สำเร็จได้ดังประสงค์เหมือนกันวันนี้ท่านสาธุชนจะเห็นว่า มีท่านพระเถรานุเถระจำนวนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าของญาติโยมแถวหน้าอย่างนี้ตามธรรมดาจะไม่มีใครเกินหน้านอกจากโยมย้อยผู้เดียวเตานั้นนั่งอยู่ตรงข้างหน้าแต่วันนี้มีพระมานั่งข้างหน้าท่านทั้งหลายก็อาจจะสงสัยว่าพระมาทำไม ก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจกันสักนิดเล็กน้อยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าวัดปยุโรวงสาวาทของเรานั้นเป็นดินแดนแห่งการศึกษาเรียนรู้แต่ที่จะว่าให้ดีหน่อยก็แปลว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มีพระพิสุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มาสู่วัดนี้กันเพื่อตั้งใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆสำหรับพระพิสุสงนั้นท่านเข้ามาศึกษานักธรรมบาลีแล้วยังไม่พอท่านยังต่อยอดด้วยการศึกษาวิชาเทศนาวิชาเทศนาเนี่ยมันเป็นวิชาอะไร ญาติโยมก็ยังสงสัยเคยไถ่าถามอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าวิชาเทศนาเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิธีการสื่อธรรมะให้กับชาวโลกภาษาอังกฤษท่านใช้คำว่าดัมมะคอมมิเนเคชันคำว่าการสื่อสารธรรมะให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจะเทศอย่างไรจะพูดอย่างไร จะถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจโยมอย่างไรท่านต้องการจะไปทำหน้าที่ชนิดนี้ท่านจึงเดินทางมาจากที่ไกลไกลมุ่งหน้ามาที่วัดประยูรวงที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าท่านพระเถระท่านนั่งอยู่ตรงนี้บางรูปมาไกลามากมาจากอายุธยามาจากสิงห์บุรี บางปีไกลยิ่งกว่านี้อีกมาจากจังหวัดชุมพรลองคิดดูสิว่าท่านมีอุตสาหะวิริยะขนาดไหนถามว่าท่านเรียนไปทำไมท่านตั้งใจจะเอาความรู้เอาวิธีการนี้ไปใช้ในการสั่งสอนลูกหลานของเราเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เป็นคนดี ญาติโยมจะได้ไม่หนักใจเพราะมีลูกมีหลานถ้าเรามีลูกมีหลานเกศมะเลกเกเลเป็นคนหัวดือ้อแล้วคุณโยมจะมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขคุณโยมจะมีโอกาสเข้าวัดไหมจะได้มีโอกาสบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาไหมไม่มีโอกาส เพราะว่าลูกหลานของเรานี่ยังเป็นปัญหาอยู่ด้วยเหตุนี้พระสม์ท่านตั้งใจศึกษาหาความรู้แล้วท่านตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดในเรื่องที่ท่านเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความชำนาญในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหรือเรื่องศีลสมาธิปัญญา ท่านเกิดศรัทธาเกิดความมุ่งมัน่นที่จะนําเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งท่านรู้อยู่แก่ใจว่ามันดีอย่างไรเนี่ยไปสื่อสารไปถ่ายทอดทําอย่างนี้ทั้งโลกถ้าเป็นพระพิสุสงในพระพุทธศาสนาอย่าว่าแต่บ้านของเราเลยแม้แต่ประเทศอื่นซึ่งเขาพัฒนากันมาพอสมควร จนกระทั่งบ้านเมืองของเขามีความเจริญรุ่งเรืองถ้าสงนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลุกประชาชนให้เริ่มต้นสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้มีพระรูปหนึ่งซึ่งท่านทนไม่ได้ที่เห็นประชาชนในประเทศของท่านตกเป็นทาสของการพนัน ตกเป็นทาสของสุรายาเมาพอไปเข้าบ่อนเข้าบาก็กลายเป็นคนนอนตื่นสายท่านก็ทนไม่ไหวในที่สุดท่านก็เริ่มต้นที่ตัวของท่านก่อนทำหน้าที่เป็นผู้ปลุกประชาชนถึงเวลาตีห้าท่านก็จะถือะระฆัง เดินไปตามถนนแล้วก็เคาะระฆังเป้งเป่งเป่งเป่งญาติโยมพอได้ยินเสียงระฆังของหลวงพ่อก็ไม่อยากจะนอนต่อไปเพราะอายหลวงพ่อแล้วก็ตื่นกันขึ้นมาทำงานพอญาติโยมปฏิปฏิบัติตามท่านมากแล้วท่านก็ให้ประชาชนเหล่านั้นรวมกันเป็นคณะ คณะนี้ชื่อว่าคณะอะไรชื่อว่าคณะนอนตื่นเช้าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่แล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ปลุกประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งเกาหลีใต้นี่ รู้สึ ก, กว่าพัฒนาประเทศเพราะพัฒนาคนก่อนตรงกับคติแห่งการพัฒนาที่ว่าพัฒนาชาติต้องพัฒนาที่ประชาชนพัฒนาคนต้องพัฒนาที่หัวใจจะพัฒนาอะไรอะไรต้องพัฒนาไปจากใจเราก่อนคุณโยมไปเที่ยวเกาหลีกันมั่งหรือยัง โยมบางท่านยังไม่เคยไปแต่ก็เหมือนไปเพราะดูหนังเกาหลีทุกวันจะเห็นว่าเกาหลีเขาจเจริญขนาดไหนเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเหนือกว่าไทยไปหลายเก้าเพราะเขาพัฒนาที่ประชาชนก่อนใครเป็นคนเริ่มต้นพัฒนาพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้เริ่มต้นในการพัฒนา ปีหน้านี้ทางรัฐบาลเกาหลีติดต่อมาที่รัฐบาลไทยให้ไปสร้างวัดที่ประเทศเกาหลีเป็นวัดแบบเถรวาดนิยมคือเถรวาดก็หมายถึงว่าเป็นพระแบบไทยเหล่านี้ถ้าเป็นมหายานก็เป็นพระแบบในประเทศจีนวัดที่เป็นมหายานมีอยู่หลายวัดแล้ว วัดที่เป็นเทรวาสมีมีบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พอขอให้ไปตั้งเพิ่มอีกทางรัฐบาลเขาซื้อที่ถวายแล้วในตอนนี้สองร้อยกว่าไร่แต่เขาถวายวัดเพียงหกสิบไร่เท่านั้นอยู่พอก็แจ้งความประสงค์มาที่อะตั้มารับเลยหกสิบไร่เพราะที่เกาหลีใกล้ๆกรุงโซลมันแพงมาก มันไม่ใช่ถูกๆหกสิบไล่คิดเป็นเงินไทยหลายร้อยร้านเอาเปรียวันรับไว้เพื่อที่ใจ้าประสงค์ไทยก็เราไปจำภรษาอยู่นี่ก็เป็นบาทบทบาทของประสงค์ที่ว่าทำไมต้องมาเรียนเทศหลักสูตรการเรียนเทศนาที่นี่มีทั้งในภรษาและเป็นหลักสูตรที่จะต้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ในภาษาก็เรียนกันสามเดือนปีนี้มีพระสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศเสียบัติไปแล้วประมาณเกือบสามร้อยรูปท่านตระกูโสพปริยตยานุกิจท่านต้องการจะให้ได้มากไปกว่านี้แต่ว่าท่านก็เข่งคัดกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ว่ธาธรรมะไม่ถึงเท่านั้นท่านไม่ผ่านเท่านี้ไม่ผ่านเป็นการเรียกว่าคัดเอาคุณภาพกันอยู่นี่เฉพาะในหลักสูตรในภาษาออกภาษาโครงการ น, นี้ท่านพระครูโสพลปริยัติยานุกิจท่านก็บริหารเหมือนกันอันใครจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้แผ่เมตตามิีรท่านพระครูโสพลให้ ม, มากๆ ก, กันแล้วกันถ้ารูปไหนเมตตาน้อยก็ดูท่านจะต้องเรียนหลายปี ถ้ารูปไหนเพร่เมตตาดีๆก็ปีเดียวกระจบไปทำดองนั้นญาติโยมจะได้หายสงสัยว่าทำไมจะมีพระมานั่งฟังเทศในวันนี้นอกจากจะมีพระสงฆ์แล้วก็ยังมีเด็กๆบางปีมีเด็กแต่งตัวเป็นซันตาคอสมาด้วยแต่ปีนี้อาจารย์สมจิตคงลืมบอกน่าจะมีซันตาคอสมาสักคนหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่แต่งม้าก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีซันต์คอร์สไปแล้วเพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเมื่อวานนี้ก็เป็นคริสต์มาสอีฟไก่งวงคงตายกันไปหลายตัวเมื่อวานนี้นยะถึงคริสต์มาสอีฟทีไรก็ต้องกินไก่งวงกันวันคริสต์มาสนี่แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับท่านพระเยซู ซึ่งเป็นองค์ศาสดาในศาสนาคิดญาติโยมทั้งหลายก็ควรจะรู้เรื่องไว้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพี่น้องชาวไทยของเหล่านี้นับถือคิดศาสนาก็มีมากท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยของเหล่านี้ทุกจังหวัดก็มีผู้นับถือศาสนาต่างๆปะปนกัน นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาฮินดูเรียกกันว่ามันปนกันอยู่ในบ้านเมืองของเรานี้เนื่องจากาประเทศไทยของเรานี้คนส่วนใหญ่จิตใจใกว้างขวางเราเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสรีในการนับถือศาสนา บริเวณวัดปยูรวงสาวาดใกล้ๆนี้รอบๆวัดก็จะมีาศาสนสถานต่างๆเนี่ยตั้งเรียงรายอยู่รอบวัดปยุรวงไปทางทิศเหนือของวัดก็มีโบสถ์ันตะคูสซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปรากฏชัดเจนขึ้นต่อเมื่ออายุทยานี้ได้พ่ายแพ้แก่พม่าถูกพม่าเผาบ้านเผาเมืองพม่าบุกเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2308ได้ปักหลักที่จะบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาให้ได้ใช้ความพยายามอยู่สองปี พอถึงปีพุทธศกักราช 2,310 พม่าก็บุกเข้ากรุงศรีอยุธยาที่ก็ว่าเข้าได้ไม่ใช่พมา่ามันสามารถตะกียมคนไทยเก่งกว่าพมา่าช่วยกันเปิดประตูให้พมา่าเข้าไปพอเข้าไปได้ก็เผาวัดเผาวา่าทำลายสิ่งต่างๆเฮี้ยนเตียนหมด ท่านไปกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันนี้จะเห็นว่าโอ้ถ้าหากว่าไม่ถูกเผาไม่ถูกทําลายเนี่ยอยุธยาของเราจะสวยงามขนาดไหน <c oughs> นี่ขนาดบางที่นี่ถูกทําลายไปแล้วก็ยังหลงเหลือความสวยงามให้เราเห็นอยู่พอกรุงศรีอยุธยาถูกเผาวัดวาอารามทั้งฝ่ายพุทธ ฝ, ฝ่ายทิดต่างๆ ก็ต้องอพยพโรบรีหนีมาต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านมาตั้งเมืองใหม่ใกล้ๆกับวัดของเรานี่แหละคลิดาศาสนาก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำการเผยแผ่าศาสนาเขาต่อก็มาสร้างโบสที่สันตะคูตนี่ปักหลักอยู่ที่ตรงนี้ต่อไป ทางทิศตะวันตกของวัดปยุรวงไปอีกไม่เท่าไหร่ก็จะมีาศาสนสถานที่ว่าเป็นมัตสยิทของชาวอิสลามาศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นเราเรียกกันว่าชุมชนกะดีขาวชุมชนเหล่านี้จะมาประชุมกันที่วัดปยุรวงสาวาสที่วัดของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกศาสนา แม้ว่าเราจะเป็นวัดพุทธศาสนาแต่ก็เป็นศูนย์กลางของทุกศาสนาได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของชาวไทยที่เป็นนับถือพุทธนั่นกว้างขวางเราต้องการให้ทุกศาสนานั้นได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดติดกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยของกันและกันอาวอย่างเช่นในคืนนี้ ถ้ามีสารตะคุ้เดินเข้ามาในวัดเนี่ยเราก็จะเปิดประตูลับเลยโยมถ้าหากว่าเป็นาศาสนาอื่นนี่จะเข้าไปยุ่งกับเขาไม่เคยได้เพราะอะไรเพราะเขาเคร่งครัดในเรื่องของเขาแต่ว่าที่วัดปยุรวงของเรานี่เคร่งครัดในเรื่องของความดีอะไรที่มันเป็นผลดีต่อชาติต่อบ้านเมืองเนี่ยเราก็จะเคร่งครัดในเรื่องนั้น สมมติว่าคืนนี้สันตคสัมมานี่นะอาตมาก็จะเปิดประตูรับทันทีเพราะว่าสันตคสัมมาทีไรก็จะมีของขวัญดีๆมาให้แต่ส่วนใหญ่เขาจะให้แกเด็กนะผู้หลักผู้ใหญ่สันตคอัมมไม่่อยให้หรอกจะนำขนมนมเนยมาให้แกเด็กแล้วเป็นเด็กดีเท่านั้นถ้าเด็กไม่ดีสันตคสัมมาเนี่ยเขารู้ เด็กคนไหนไม่ดีนั่งฟังเทศไปลุกลิกลุกลิกนี่สันตคศไปให้ขนมอ่ะแล้วเด็กคนไหนนั่งฟังเทศไปเนี่ยพูดคุยไปไม่สนใจฟังสันตคอศเดินผ่านสันตคอศจะเมินเลยทีเดียวอ่ะฉะนั้นคืนนี้สันตคศก็จะได้ออกบาเพ็ญบุญการที่มีเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถามว่ามีเพื่ออะไร เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนิกในแต่ละศาสนาให้ล้ำลึกนึกถึงศาสดาของเขาว่าวันคริสต์มาสนี้คล้ายกับเป็นวันเกิดของพระเยซูพระเยซูนี่เรียกเต็มเต็มว่าพระเยซูหรือเยซูแห่งนาซาเลตแต่แล้วเรียกสั้นๆว่าพระเยซูเพราะว่าท่านเกิดวันนี้ อันที่จริงท่านเกิดวันไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ที่กำหนดเอาวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมของทุกปีเนี่ยกำหนดตอนหลังหลังจากพระเยซูเนี่ยนะท่านได้ประกาศศาสนาไปแล้วแล้วท่านประกาศศาสนาอยู่ได้ไม่กี่ปีหรอกท่านก็สิ้นไปชนไปเสก่อนที่กำหนดเอาวันนี้ก็เพราะวันนี้เนี่ย เป็นวันสำคัญของผู้ที่นับถือาศาสนาดั้งเดิมดั้งเดิมนเขาถือาศาสนายูดดยาศาสนายูไดยนี่เป็นาศาสนาสำคัญของชาวยูว <c oughs> ต่อมานี่ชาวยูวทั้งหลายเนี่ยกระตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนเขานี่ทาประวัติศาสตร์จากบาบิโลนเนี่ยนะะ ผู้ที่มีอำนาจดูบริเวณนั้นก็เป็นชาวโรมันเรียกว่าเป็นยุคของโรมันโรมันมีอำนาจชาวโรมันเขาถือว่าวันที่ยี่สิบห้านี่เป็นวันที่เทวดาองค์ใหญ่หรือเทพเจ้าองค์ใหญ่นี่อุบัติขึ้นมาในโลกเทพเจ้าองนั้นท่านเรียกว่าพระสุริยเทพหมายถึงพระอาทิตย์ ลระอาทิตย์นั้นโผล่มาสู่โลกครั้งแรกวันที่25ธันวาคมเมื่อชาวโรมันมานับถือคริสตศาสนาเขาก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็เลยอัพโลเอา ว, วันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูก็มีการบูชาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่เล่าให้ญาติโยมฟังว่าคริสต์มาสนี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ แกศาสนกผู้นับถือคิตศาสนาจะได้ลำลึกนึกถึงศาสดาของเขาเป็นประโยชน์ในการปลูกฝังให้ศาสนกของเขาเป็นคนดีประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนแม้จะเป็นประโยชน์ของเขาถ้าคิดดูให้ดีก็ส่งผลประโยชน์มาสู่เราเหมือนกัน ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระเถระรูปหนึ่งว่าอัตตะทัดถังปรัตเถนะพระหุนาปินหาปเยเป็นต้นซึ่งแปลว่าคนบุคคลไม่ควรยังประโยชน์ตนให้เสียไปเพราะประโยชน์ของผู้อื่นจะมีมากถ่ายเดียวแต่ควรนำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนั้น มาประยุกต์มาจัดสรรให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนี่ความหมายก็เป็นไปในทนองนี้แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในคิดศาสนาแต่ถ้าน้อมมาให้เป็นประโยชน์ของเราก็ใช้ได้เหมือนกันในขณะที่ศาสนิกกาลังคิดถึงศาสดาของเขาเราก็ควรจะใช้เวลานี้นึกถึงพระบรมศาสดาของเรา ก่อนที่เราจะได้จากลาปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าทำลายประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ตนนั้นมีความสำคัญก่อนที่ปีเก่าจะจากไปญาติโยมทั้งหลายคิดถึงประโยชน์ตนในเรื่องอย่างไรบ้างเราก็ควรจะมาทบทวนดูว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร วันคืนผ่านไปแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราท่านทำอะไรกันอยู่เราได้ดำเนินชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปหรือไม่ถ้าเราคำนึงถึงเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้ พระองค์ต้องการจะเตือนใจให้เรารู้ว่าอันวันคืนที่ผ่านไปนะมันไม่โอกาสจะหวนกลับมาแล้วนะปีพุทธศักราช 2,558 ที่จะจากเราไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ไม่มีโอกาสย้อนกลับมาอีกแล้วนะไม่เหมือนรถไม่เหมือนเครื่องบินบินไปแล้ว ถ้าหากก่ไม่เป็นอันตรายซสียก่อนก็ยังมีโอกาสบินกลับมาแต่ว่าการเวลาไม่เป็นเช่นนั้นผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปอย่าได้ปลารมณ์จะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยหมายความว่า เงินทองในที่มันหายไปนี่เราย้อนไปดูที่ต้นทางว่ามันอาจจะตกหล่นตรงนั้นก็ได้ยังมีโอกาสพบปะเจอะเจอแต่ว่าเวลาที่มันผ่านไปหมดสิทธิ์ที่เจอะเจอมันอีกเราควรจะคิดถึงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรามันเกี่ยวกงที่ว่าวันคืนที่มันผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉพาะวันคืน แต่มันเอาชีวิตและวัยของเราไปด้วยนะเราแก่เพิ่มขึ้นทุกวันความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรามีอยู่ทุกวันเปลี่ยนแปลงทั้งรูปเปลี่ยนแปลงทั้งนามรูปร่างสังขารก็แปลเปลี่ยนไปคุณโยมส่งกระจกดูเธอมันเปลี่ยนไปเรื่อยในส่วนนามคือจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงไป เมื่อก่อนนั้นเราเป็นคนขี้โมโหโทโสแต่ว่ามาบัดนี้จิตใจกับเยือกเย็นเมื่อปีก่อนโน้นจิตใจเขาเรามีความคับแคบแต่ว่ามาปีนี้จิตใจเขากล่ากว้างขวางมีความเมตตามีความปรารถนามากขึ้นความปรารถนาดีมากขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางดี แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีอย่างนี้ก็ยิ่งจะเสียเวลาพัฒนาตัวเองกันไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าตัดเรื่องประโยชน์อย่างนี้ว่าบางครั้งก็อย่าทำลายประโยชน์ตนเพราะเห็นแก็บประโยชน์คนอื่นบางครั้งเนี่ยก็อย่าเน้นไปที่ประโยชน์ตนเท่านั้นหรือบางครั้งก็เน้นไปที่ประโยชน์คนอื่นเท่านั้น ควรที่จะประสานประโยชน์ทั้งสองให้กลมกลืนกันพอดีให้มีทั้งประโยชน์ตนและให้มีทั้งประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนมีไว้ทําไมก็มีไว้เพื่อประโยชน์คนอื่นประโยชน์คนอื่นที่เราต้องศึกษาเพื่ออะไรเพื่อ น, นํามาสวมใส่ให้เป็นประโยชน์ของตนถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนกับพระพิสุรูปนี้ก็เนื่องจากว่า พระพุทธเจ้าประกาศว่าจะปรินิพานจากนี้ไปอีประมาณสามสี่เดือนพระพิสูจน์ทั้งหลายพอได้ฟังข่าวนี้ต่างสลดหดทูไม่ยอมไปไหนเลยแวะเวียนไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนั่งแวดล้อมกันอยู่บริเวณนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระเหล่านี้ก็ตามพระพุทธเจ้าไป แต่ว่ามีพระรูปหนึ่งแกไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นที่สังเกตของพระซึ่งตามพระพุทธเจ้าอยู่นั้นก็เลยไถ่าถามกันขึ้นมาว่าเอ๊ะพระรูปนี้ไปไหนเนี่ยในที่สุดก็เลยไปตามตัวมาตามตัวมาก็บอกว่าถามว่าท่านไปทำไปทำอะไรอยู่ถ้ารูนั้นท่านก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้ว ผมไม่อยากจะมากวนท่านหรอกคำหนึ่งถึงงานของตนที่กำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จพระได้ฟังดังนี้ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าทันทีไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่เคารพนับถือพระองค์เลยได้ยินข่าวว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานหน้าที่จะได้มาคอยปณิบัติวัดถา จะได้เป็นบุญบารมีแก่ตัวแต่ที่ไหนได้หลบลี้หนีหน้าเนี่ยไปเอาประโยชน์ส่วนตัวพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกพระรูปนี้มาแล้วก็ตัดถามว่าเธอทำอย่างนี้จริงๆหรือพระเถระรูปนั้นกระทูนว่าพระพุทธเจ้าขา้าพระที่ไปฟ้องก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเทศพระองค์นี้เป็นการใหญ่แล้วแต่ที่ไหนได้พระพุทธองค์ทรงชมเชย ว่าเธอทำอย่างนี้ดีแล้วการที่เธอบูชาเราอย่างนี้เรียกว่าธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาบูชาเราด้วยการปฏิบัติปฏิบัติอะไรเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่หยตนหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอนันเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนเข้ามาบวชที่ทุกคนเข้ามานับถือนั้นเพื่อต้องการที่จะ พัฒนาจิตใจของเราให้หนักในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหนักในเรื่องทานก็หมายความว่าให้จิตใจของเรานั้นมีความโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายหนักในเรื่องศีล น, นั่นคืออะไรก็เพื่อให้เรานั้นเป็นคนรักระเบียบรักวินัยจัดระเบียบให้กับตัวเองเสียก่อน มีการควบคุมการกระทำกายวาจาของเราไม่เป็นโทษต่อคนอื่นภาวนานั้นคืออะไรคือชำระจิตใจข้นตนนั้นให้ห่างจากความโรคความโกรธความหลงทำอย่างนี้เลยหรยว่าตรงกันนโยบายของเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาพระพุทธเจ้าตัดเช่นนี้ก็ปลากรภาพภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการ รวมความว่าเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตกันอยู่นี้ควรศึกษาเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคืออะไรทำให้สมบูรณ์ประโยชน์ของคนอื่นคืออะไรทำให้สมบูรณ์พูดให้ชัดว่าถ้าเป็นพระประโยชน์ตนทำอะไรเช่นศึกษาปฏิบัติเราก็รักษาประโยชน์ของตนเอาไว้ให้ดี ประโยชน์ของวัดประโยชน์ของประชาชนเราจะต้องช่วยกันดูแล ร, รักษาช่วยกันพัฒนาเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ไม่เอาใจใส่ต่อวัดวาอารามอย่างนี้ท่านเรียกว่าเน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนก็จะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่เสียพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่อง แต่พระองค์ทรงยกย่องว่าบุคคลผู้ใดเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนจนเห็นผลชัดเจนแล้วก็เอาประโยชน์ในตนนั้นแจกจ่ายขยายแก่ผู้อื่นทำอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสันเสริญดังที่พระพุทธองค์ทรงสันเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งชื่อว่าพระอัตตะทัทะเถระดังใจความที่ชี้แจงแสดงมา รัตนัญญานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกขเจริญสุขสิริสัจเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้เป็นสารผุดผ่องพ้นผ่องไัยขอเดชะพระสังขรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระตนตรยัย ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารดังที่ชี้แจงสแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรรมเทศนาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้